ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการกลเม็ดครัวไอเดียผู้ดำเนินรายการพานุมาตรหัตถบุญสร้างสารรค์และผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะอยู่กับดิฉันพานุมารหัตถบูร์นะคะพร้อมกับเรื่องราวของสารพันในห้องครัวนั่นเองที่เรานํามาฝากกันในรายการของเราในวันนี้พร้อมด้วยทีมงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะและรายการของเรานะคะสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเอง วันนี้ค่ะเอมีเรื่องราวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยสาระ เพียบเลยค่ะทั้ง3ช่วงของรายการนั่นเองนะคะตั้งแต่ช่วงแรกเลยกับกลเม็ดลุยเข้าครัววันนี้เอมีเรื่องราวของเกร็ดลับน่ารู้เรื่องในครัวนะคะสำหรับสาวยุคใหม่มาฝากกันนะคะและช่วงที่2ของรายการนั้นกับการตกแต่งห้องครัวนะคะจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามส่วนช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับการทําความสะอาดห้องครัวนะคะกับกลเม็ดเกร็ดท้ายครัววันนี้เราก็มี การทำความสะอาดที่ผิดนะคะมาฝากกันใครที่ทำความสะอาดแบบนี้อยู่นะคะก็ต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะพักฟังเพลงนะคะเพราะเพราะจากทางสถานีและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของเคล็ดลับน่ารู้เรื่องราวในครัวนะคะสำหรับสาวยุคใหม่หรือว่าจะเป็นคุณพ่อ้านยุคใหม่ก็ได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ สวงามแต่แต่เขดูแลน้องได้หรือเปล่าเอาใจปีไปเลยเก็บไว้เลยน้องจะไปตีใดเขาปีไปต่อยใดหรือเปล่ามีปีลองไม่เงาบอปเยเอาปเลยสุมาตะคนดีกับปีกันนี้ปีกนนี้นะฮักแต่น้องใจมันรั้มันเรียกมันร้องหูหรือยังสุมาตะคนดีกับปีกันนี้ปีกนนี้ฮักแต่น้องฮักแต่น้องหูหรือเปล่าหูหรือยังต่อให้แกนต่อใดปีก็บ่สน พสักกี่คนก็ยังสดใสปีกนี้บริจุกนะปีกนนี้บริจุกนะกนนกนะอยากจะอันจะอีกับปีบังไหมน้องเต่งงามแต่แตก็ดูแลน้องได้หรือเปล่าเอาใจปีไปเลยเก็่ไว้เลยน้องจะไปตีใดก็ปีไปต่ยใดหรือเปล่า ช่วยเป็นสกีจะกระดุกจะกดิกบริยากพิภีให้ไวพดพิถีพุดมาช่วยเป็นพยานเจ้าป้าเจ้าเข้าช่วยเป็นสกีปีจะหักแต่น้องคนนี้คนเดียวจนกว่าปีจะสิ้นลมปรานต่อให้แกนต่อได้พี่ก็บรศนจะขอสักกี่คนเกอยังสดใสปีคนนี้บริจุกนะปีคนนี้บริจุกนะอยากจะอันจะอี ก, ก็ น้อ ง, งแต่งงานแต่แต่เขดูแลน้องได้หรือเปล่าเอาใจปีไปเลยเก็บไว้เลย <Hey. S 1> น้องจะไปตีใดเขาพี่ไปต่อยได้หรือเปล่ามีพี่เราไม่เงาเอาไปเลย <Hey. S 1> หักกันหักกันหักกันหักกันดีไหม <Hey. S 1> หักกันหักกันหักกันหักกันได้ไหมหักกันหักกันหักกันหักกันดีไหม ได้ก็พีไปโดยไดหรือเปล่า กลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้ โกลเม็ลุยเข้าครัวนะคะในช่วงแรกของรายการวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับน่ารู้เรื่องในครัวมาฝากกันนะคะสำหรับสาวยุคใหม่หรือว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านยุคใหม่ก็ได้ซึ่งหลายๆคนตอนนี้เนี่ยก็มีงานอดิเรกนะคะที่เป็นเรื่องของการเข้าครัวโชว์สเสน่ห์ปลายจะหวักยามว่างนะซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาที่ต้องกลุ้มใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในห้อง ครัวที่ทำอย่างไรก็แก้ไม่หายสักทีวันนี้ก็เลยมีเคล็ดลับนะคะเกี่ยวกับเครื่องใช้นะคะในห้องครัวมาฝากกันขอบอกว่าเคล็ดลับนั้นเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะซึ่งอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของกระทะ คู่ครัวค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายคนอาจจะต้องหุดหงิดนะคะแก้ไม่ตกเลยกับเจ้ากระทะซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของอาหารติดกระทะนะคะหรือว่ากลิ่นคาวที่ล้างไม่รู้กี่รอบก็ไม่หมดสักทีนะคะซึ่งวันนี้นะเราจะมาฟังกันกับเคล็ดลับแรกเลยค่ะนะคะตั้งไฟให้ร้อนๆ น, นะคะแล้วก็ โรยเกลือลงไปอันนี้เป็นเรื่องของอาหารติดกระทะนะคะทิ้งไว้สักประมาณห้านาทีจากนั้นเนี่ยก็เอาตะหลิวนะคะคลุกนะคะแล้วก็เขี่ยเกลือเนี่ยให้ทั่วกระทะเลยทำความสะอาดกระทะหนึ่งรอบนะคะคราวนี้ละไม่ว่าจะทำอาหารอะไรก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการติดกระทะแล้วค่ะ ต่อมานะคะเป็นเคล็ดลับที่แก้ปัญหาในเรื่องของกลิ่นคาวนะคะที่ติดอยู่กับกระทะของเรานั่นเองซึ่งนะคะก็มีวิธีนะคะให้บีบมะนาวลงไปในน้ำมันที่ใช้ทอดนะคะจากนั้นเนี่ยเทน้ำมันทิ้งแล้วก็เช็ดคราบออกค่ะ ต่อมานะคะอาจจะเป็นวิธีที่สองนะคะสำหรับการขจัดกลิ่นคาวในกระทะก็ให้ใช้น้ำชาชงแก่ๆค่ะล้างแทนน้ำเปล่านะคะต่อมาอีกวิธีหนึ่งค่ะถ้าหากว่ากระทะเนี่ยติดเศษอาหารที่ไหม้นะคะให้โรยเบกกิงโซดาให้ทั่วจากนั้นใช้น้ำส้มสายชูค่ะผสมน้ำร้อนนะคะในสัดส่วนที่เท่าๆกันแล้วก็เทลงในกระทะค่ะนะคะหรือว่าอาจจะใช้เบกกิงโซดานะคะผสมน้ำแช่กระทะทิ้งไว้ ครั้งคืนเลยนะคะหคืนแล้วก็เช้าเนี่ยก็มาล้างออกนั่นเองต่อมาเป็นเรื่องของกระทะขึ้นสนิมค่ะคุณผู้ฟังเคล็ดลับนะคะก็ให้ตั้งไฟนะคะให้กระทะเนี่ยร้อนจัดแล้วก็นําหนังหมูติดมันนะกับต้นกุ้ยช่ายมา1กิ่กรรค่ะมาถูๆให้ทั่วกระทะนะคะจนกุ้ยช่ายเนี่ยมีสีเหลืองจากนั้นก็นําไปล้างให้สะอาดค่ะ นอกจากวิธีนี้แล้วนะคะก็มีวิธีการแก้ปัญหาอีกเยอะเลยสำหรับกระทะเนี่ยมาฝากกันนะแล้วก็ยังมีเคล็ดลับสำหรับเครื่องครัวอื่นๆด้วยนะคะพร้อมเทคนิคเด็ดๆสำหรับการทำอาหารมาบอกต่อกันอีกด้วยต่อมาเป็นเรื่องของมีดขึ้นสนิมบ้างนะคะให้ใช้เปลือกมะนาวสดค่ะที่เราบีบน้ำออกแล้วนะคะไปถูที่มีดหรือว่าจะผ่าหอม อหอมหัวแดงนะคะลูกเล็กๆนะแล้วก็นำไปทามีดนะคะบริเวณที่เป็นสนิมเนี่ยออกเบาๆหรือว่าทาให้ทั่วมีดก็ได้ค่ะสนิมก็จะหลุดออกมาโดยง่ายได้เลยละค่ะต่อมานะคะเป็นกาต้มน้ำร้อนที่มีตะกันนะคะหากไม่มีมากเนี่ยก็คือถ้ามีบอกว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ให้ลองเอาเปลือกหอยนะคะใส่ลงในกาต้มน้ำจากนั้นก็ตั้งไฟให้เดือดสักประมาณ5นาทีแล้วก็ปล่อยให้เย็นค่ะตะกันนะคะจะย้ายมาจับที่เปลือกหอยแทนแต่ถ้ามีตะกันมากเนี่ยให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำในปริมาณที่เท่าเท่ากันเทใส่กาต้มน้ำตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ทิ้งค้างไว้หนึ่งคืนค่ะตอนเช้าค่อยมาล้างทาความสะอาดแค่นี้เนี่ยตะกันก็จะหลุดออกมาโดยง่ายได้ค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องของการกำจัดกลิ่นในเตาไมโครเวฟบ้างนะคะให้นำใบชาใส่น้ำพอท่วมแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้ไมโครเวฟค่ะเปิดเครื่องให้น้ำร้อนสักสนาทีจากนั้นเนี่ยปล่อยให้ใบชาเนะะี่ยะทิ้งไว้ในตู้เลยข้ามคืน นะะหนึ่งคืนทิ้งจนรุ่งเช้ากลิ่นก็จะหายไปแต่ว่าถ้าหากกลิ่นสะสมมานานเนี่ยอาจจะต้องทำหลายรอบหน่อยค่ะทางที่ดีนะคะควรหมั่นทำความสะอาดแล้วก็ดูดกลิ่นเป็นประจำจะได้ไม่สะสมนะคะหรือว่าหากจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้ก็คือใส่น้ำในชามนะคะที่ใช้กับไมโครเวฟได้1แก้วแล้วก็ใส่ดอกไม้หรือว่าเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมลงไปจากนั้นนาไปใส่ในเตาหากปิดไว้สักประมาณ 7นาทีนะคะเปิดเครื่องไว้เลยแล้วก็เปิดฝาออกค่ะกลิ่นหอมนะจะอบอวลไปทั่วห้องนะคะเป็นการกำจัดกลิ่นที่รวดเร็วด้วยค่ะ ต่อมาวิธีการเก็บข้าวกล้องไม่ให้หมอดขึ้นนะคะเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยให้นำนะคะไปเก็บไว้ในตู้เย็นโดยทันทีโดยเก็บในช่องธรรมดาสัก5วันค่ะเราค่อยนำออกมาไว้ข้างนอกจะช่วยกันมอดได้นะคะหรือว่าใช้เกลือป่นเนี่ยโรยในข้าวกล้องที่ซื้อมา1ช้อนชาต่อข้าว1กิโลกรัมก็ได้ค่ะ ต่อไปเป็นวิธีต้มกล้วยไม่ให้ดำนะคะเมื่อจะต้มกล้วยน้ำว้านะคะให้เราเนี่ยใส่กิ่งมะขามที่มีใบติดอยู่ลงไปต้มด้วยพร้อมกันเลยค่ะสักสามกิ่งนะคะแค่นี้เนี่ยก็สามารถต้มกล้วยให้ขาวได้แล้วล่ะค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องของการข จ, จรัดกลิ่นฉุนขนาดผัดอาหารนะคะเวลาที่ปรุงอาหารด้วยหอมนะหอมหัวใหญ่กระเทียมหรือว่าอาหารที่มีกลิ่นฉุนไปทั้งบ้านเนี่ยนะคะหากจะดับกลิ่นเหล่านี้สามารถทําได้ด้วยการใช้น้ําส้มสายชูรินใส่ถ้วยวางไว้ใกล้ๆค่ะกับเตาที่เราใช้ผัดอาหารนั่นแหละเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยจะช่วยดับกลิ่นฉุนของอาหารที่เราทําได้โดยเร็วแต่ว่าถ้าทําอาหารแล้วกลิ่นคาวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกุ้งหอยปูปลานะคะ ที่ติดมือนะให้ใช้ใบชาชงกับน้ำร้อนล้างมือค่ะจะยิ่งดับคาวได้ดีนะคะแล้วก็ถ้ามีเปลือกมะนาวใส่ลงไปด้วยสัก3ามชิ้นเนี่ยก็จะช่วยขจัดกลิ่นคาวได้ดีเลยละคะ่ะต่อมาเป็นเรื่องของการคั้นกระทินะคะให้ได้ความมันซึ่ง เขาก็มีเคล็ดลับว่าให้โรยเกลือป่นค่ะหนึ่งช้อนชาลงในมะพร้าวที่จะคั้นนะคะคุกเค้าให้ทั่วแล้วค่อยคั้นน้ำความเค็มนี่แหละที่จะช่วยรีดความมันนะคะออกมาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวต่อไปเป็นวิธีแกะกุ้งขนาดเล็กมากๆนะคะซึ่งมักจะแกะยากนะคะเพราะว่าติดเปลือกวิธีการแกะให้ง่ายนะคะก็คือเอากุ้งเนี่ยไปลวกซะก่อนแล้วค่อยนามาแกะค่ะจะทาให้แกะกุ้งตัวเล็กตัวน้อยได้สะดวกขึ้นนั่นเอง ต่อไปเป็นเรื่องของการดับกลิ่นหืนในน้ำมันพืชนะคะเมื่อเก็บน้ำมันพืชไว้นานๆเนี่ยบางทีก็จะมีกลิ่นเหม็นหืนค่ะทําให้อาหารที่นําไปทอดเนี่ยมีรสชาติไม่ดีไปด้วยวิธีการแก้ง่ายๆนะคะก็คือเมื่อเราเทน้ํามันลงในกระทะแล้วให้ใส่ใบเตยหรือว่าหอมแดงทุบลงไปด้วยจะทําให้กลิ่นเหม็นหืนของน้ํามันพืชเนี่ยหมดไปและทําให้อาหารที่ทอดมีความหอมและรสชาติดีขึ้นอีกด้วยค่ะ ต่อไปเป็นวิธีการทอดอาหารนะคะให้น้ามันกระเด็นน้อยลงให้โรยเกลือนะคะลงไปในกระทะเนี่ยนิดหน่อยแค่นี้เนี่ยน้ำมันก็จะกระเด็นน้อยลงแล้วล่ะค่ะหรือว่าอาจจะแทบไม่กระเด็นเลยก็ได้นะคะต่อไปเป็นวิธีการลดความเค็มในแกงจืดหรือว่าแกงกระทิ น, นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ย ปรุงแล้วเกิดเค็มเกินเหตุจะแก้ด้วยการเติมน้ำเปล่าให้เค็มเจือจางก็ทำให้รสชาติอื่นเนี่ยจางไปด้วยอีกทั้งต้องปรุงโนนเติมนี่ไม่จบง่ายๆดังนั้นนะคะหากเราใส่น้ำปลาหรือว่าเกลือในแกงหนักมือไปหน่อยเนี่ย จนทำให้น้ำแกงมีความเค็มเกินไปสามารถแก้ไขได้นะคะโดยการนำข้าวสารที่ล้างสะอาดห่อด้วยผ้าขาวบางเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปต้มในน้ำแกงเจ้าปัญหาของเรานี้นะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งความเค็มก็จะถูกดูดออกไปถ้ารอบเดียวยังเค็มอยู่เนี่ยก็อาจจะทำสักรอบสองรอบค่ะโดยเปลี่ยนข้าวสารใหม่อีกครั้งนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรอบเดียวก็หายเค็มแล้วละค่ะ ต่อไปเป็นวิธีการแก้ความเผ็ดนะคะหากทานเผ็ดมากจนเกินไปเนี่ยจนปากพองให้ดื่มน้ำหรือว่าน้ำชาอุ่นๆค่อนข้างร้อนหน่อยนะคะจะทำให้หายเผ็ดได้เร็วขึ้นหรือว่าจะใช้เป็นน้ำปลากลั้วปากนะสัก2นาทีก็ได้ค่ะจะทำให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ และนี่ก็คือเคล็ดลับคู่ครัวค่ะที่เรานํามาฝากกันในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของกลเม็ดเกร็ดเสริมครัวค่ะศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชงลูกประครบพิมพ์เสนน้ํารวมถึงเครื่องสําอาง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 เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับเอค่ะพานุมาหัตบูล น, นะคะที่อยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยแล้วก็มีเรื่องราวความรู้นะคะสารพันในห้องครัวนั่นเองมาฝากกันซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของโกลเม็ด เคล็ดเสริมครัวค่ะที่จะมาช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นตกแต่งห้องครัวนะคะได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ได้เข้ากับความต้องการมากขึ้นนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะเอมีเรื่องราของ10บเคล็ดลับการตกแต่งห้องครัวของคุณให้สวยทันสมัยมาฝากกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะห้องครัวของเรานั้นนะเป็นเขาเรียกว่า เป็นส่วนที่ใช้ทำกิจกรรมหลักเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องทั้งทานอาหารนะคะก่อนเราจะทานอาหารเราก็ต้องทำอาหารเพราะฉะนั้นห้องครัวนั้นนะคะแทบเรียกได้ว่าต้องใช้กันทุกวันเลยด้วยแหละ น ะ, ะซึ่งอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะมาแนะนำกันก็คือเป็นการพยายามสร้างบรรยากาศให้ห้องครัวนั้นดูอบอุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้โทนสีนะคะการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เครื่องครัวหรือว่าของตกแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ตามเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยควรจะต้องเกิดบรรยากาศที่ดูน่าสบายนะคะอบอุน่นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ า, าให้มันดูแบบว่า วอร์มเป็นวอร์มโทนหน่อยนะคะจะได้เป็นสีที่ทําให้ห้องเนี่ยดูแบบว่าไม่ตกยุคนะคะแล้ก็ดูมีชีวิตชีวาเพราะว่าการองค์วังวางองค์ประกอบที่ดีเนี่ยนะคะอย่างเช่นการใช้หลอดไฟที่มีแสงสว่างมากๆนะเจาะผนังทําชั้นวางนะคะก็จะได้เข้ากับสีแล้วก็ได้เข้ากับความวอร์มของห้องด้วยนะค ะ, ะ, คะก็ทําให้ห้องนั้นดูทันสมัยแล้วก็ดูโมเดิร์นขึ้นค่ะ ต่อมาข้อที่2นะคะใช้หินอ่อนทำเป็นเคาน์เตอร์การเลือกใช้วัสดุมาสร้างแล้วก็ตกแต่งห้องครัวนั้นก็สำคัญค่ะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมีวัสดุดีๆแข็งแรงทนทานหลายอย่างมากนะคะที่เหมาะกับการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นถ้าเป็นแบบว่าเคาน์เตอร์หินอ่อนเนี่ยก็จะดูทั้งมีความทันสมัยด้วยแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานนะคะให้ความรู้สึกที่ดูแบบว่า เอ่อถ้าเราใช้เป็นสีขาวนะคะจะให้ความรู้สึกที่ดูนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนค่ะต่อมาข้อที่สามนะคะถ้าใครที่ชอบเซรามิกนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเคาน์เตอร์หรือตู้ก็ตามนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยเซรามิกเป็นวัสดุที่สามารถเปลี่ยนห้องครัวเฉยๆให้ ดูสวยเดินได้ในพริบตาค่ะนะคะเหลือก็เป็นเรื่องของโทนสีเท่านั้นนวะว่าจะใช้เซรามิกโทนสีอะไรให้มันดูเข้ากันแล้วก็ให้มันดูออกมาเป็นตัวตนของคุณนั่นเองซึ่งข้อที่4นะคะเมื่อเราตกแต่งนะทั้งเรื่องของเคาน์เตอร์นะคะวัสดุที่เราใช้มาแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมารู้จักกับการใช้สอยเนื้อที่ให้เป็นประโยชน์เราก็ไม่เปลืองนะคะลักษณะอย่างหนึ่งเลยของการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือจะไม่จัดวางเรียง ให้รกเกะกะแต่ว่าจะพยายามประหยัดสเป e ในห้องเนี่ยให้มากที่สุดอย่างเช่นาการทำเขาเรียกว่าเป็นชั้นวางของนะคะจะได้หยิบจับได้ง่ายแล้วก็ทำให้ห้องนั้นเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ประหยัดเนื้อที่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการทำช่องฝังตู้เย็นเตาอบเตาไมโครเวฟนะคะเข้าไปกับผนังแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ โอเคเลยดีเลยนะคะต่อมาข้อที่5นะคะทำเคาน์เตอร์บาร์ไว้สักหน่อยถ้าเป็นบ้านแบบฝรั่งเนี่ยนะคะโดยเฉพาะทางอเมริกันเนี่ยเราคงจะเห็นกันบ่อยแล้วจากในหนังนะคะว่าครัวของเขาจะทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆไว้ตรงกลางสาหรับเป็นที่วางของปรุงอาหารจะได้ไม่ไปเกะกะเคาน์เตอร์ใหญ่จนเกินไปค่ะส่วนในเมืองไทยนั้นนะคะอาจจะไม่ค่อยนิยมทํากันมากนักแต่ว่าถ้าทําได้ก็จะดีมากค่ะเพราะว่านอกจากจะทําให้ห้องครัวนั้นดูสวยทันสมัยแล้ว ยังมีประโยชน์เวลาจัดงานเลี้ยงรวมญาติหรือว่ารวมเพื่อนฝูงอีกด้วยนะคะจะได้มีที่มีทางพอให้ทุกคนเนี่ยทำอาหารกินร่วมกันอย่างสนุกสนานนั่นเองข้อที่6ค่ะใช้กระจกแปะลงบนเคาน์เตอร์นะคะซึ่ง ถ้าเป็นห้องครัวสีดำเนี่ยนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดสักหน่อยแต่ว่าคือถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็จะได้ทั้งความคลาสสิกนะความแบบว่าคุมโทนความจริงๆแล้วเนี่ยเคาน์เตอร์นะคะถ้าเราใช้เป็นสีเข้มเนี่ยเราก็จะไม่เร่งห่วงในเรื่องของรอยเปื้อนต่างๆหรือว่ารอยขีดข่วนต่างๆด้วยนะคะยิ่งถ้าเป็นแบบเงาก็จะทําให้ดูโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่เนะคะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่รูปทรงแปลกตานะซึ่งถ้าตัวที่ตกแต่งได้เนี่ยก็จะมีในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะคะซึ่งโต๊ะทานข้าวเนี่ยอาจจะเป็นดีไซน์ที่เรียบๆนะอาจจะเป็นแบบว่าแผ่นซีเรียมมีขาเหมือนทั่วไปสีขานะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นสีแดง แบบนี้แถมยังมีฐานตั้งขนาดใหญ่เนี่ยแค่ด้านเดียวอีกต่างหาเ ก, ก้าอี้เองก็เช่นกันค่ะไม่ได้เป็นแผ่นไม้พลาสติกธรรมดาแต่ว่าเป็นเก้าอี้แบบ c ีทูนะคะหรือว่าเป็นลายโปร่งสันๆากันแล้วก็เป็นสีดำอะไรแบบนี้นะคะก็จะทาให้อ่อเป็นเาเรียกว่าเป็นการดึงจุดเด่นของห้องครัวออกมาให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีความล้าทันสมัยด้วย ข้อที่แค่ะลองใช้โคมไฟเพดานส่งลูกบอลดูนะคะบ้านโมเดิร์นหลายๆบ้านเนี่ยนิยมใช้โคมไฟที่เป็นทรงกลมเหมือนกับลูกบ้านนะคะทั้งโคมไฟเพดานนะโคมไฟตั้งโต๊ะแล้วก็โคมไฟตั้งพื้นอื่นๆนะคะเลือกสีที่สวยๆหรือว่าเข้ากับห้องของเราหน่อยก็เป็นอันใช้ได้แล้วละค่ะต่อมาข้อที่9นะคะทําเนื้อที่สํารองซ่อนเอาไว้บ้างเพราะบางทีเนี่ยเราก็ถ้า เนี่ยให้เกิดเหตุนะคะแบบว่าญาติมาเพื่อนมาปกติเนี่ยเราอยู่คนเดียวเลยใช้คนเดียวนะคะหรือว่าอาจจะอยู่คนสองคนสามคนแค่นั้นนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งมีเพื่อนมาเนี่ยนะคะหรือว่างานรวมญาติเนี่ยเราจะได้มีเนื้อที่ตรงนี้ไว้รองรับด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะใช้เป็นแผ่นบางๆเป็นแผ่นไม้นะหรือว่าแผ่นที่ทําซ่อนไว้ในเคาน์เตอร์นะคะถูกดึงออกมาเป็นลิ้นชักนะทำให้ใช้ประโยชน์ในการ เป็นที่วางหั่นผักผลไม้น ะ, ะหรือว่าจะใช้วางของเพิ่มเติมก็ได้ด้วยข้อที่สิบค่ะคุณต้องจัดวางของให้เป็นระเบียบนะคะข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเลยเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นก็คือบ้านนั้นจะต้องไม่รก เะะนะคะข้าวของทุกชิ้นจะต้องจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าปล่อยให้มีความไร้ระเบียบเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นห้องครัวนะคะคุณก็ควรจะแยกเก็บอุปกรณ์ทำครัวกระทะตะหลิวหม้อทพีเอาไว้ให้ดีๆจะแขวนหรือว่าใส่ตู้ก็ตามใจนะแต่ว่าอย่าเอามาวางไว้บนเคาน์เตอร์นะคะช้อนซ่อมเองก็ด้วยควรจะแยกใส่ลึนชักให้เรียบร้อย ค, ค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจาก w w w ร์ไวด์เว็บค่ะ ช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของโกลเมตรเกล็ดท้ายครัวกันนะคะกับ7วิธีทำความสะอาดบ้านแบบผิดๆที่คุณอาจจะทำมาตลอดทั้งชีวิตก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะมองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยมืออาชีพราคา ย, ย่อมเยาวปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีด้วยคุณภาพกับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยายลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีศูนย์ ร, งรังสิตปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999 กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกลเมครัวไอเดียเรานะคะคุณผู้ฟังกับช่วงนี้กลเม็ดเกล็ดท้ายครัวนั่นเองค่ะวันนี้มีเรื่องราของ7วิธีทำความสะอาดบ้านแบบ ผ, ผิดที่คุณเนี่ยอาจจะทำมาตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะการทำความสะอาดกระจกหน้าต่างนะคะแม้ว่าเราเนี่ยจะได้รับการสั่งสอนมาว่าอย่าไปทำความสะอาดกระจกในวันที่ฝนตก แต่เรื่องกลับกลายเป็นว่าวันที่ฟ้าใสาแดดเปลี้ยงนั่นก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะจะเช็ดกระจกเอาซะเลยค่ะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแสงแดดที่ส่องเปลี้ยงมาที่กระจกนะคะกราบทําให้กระจกนั้นแห้งเร็วทั้งที่ยังเช็ดไม่ทันเกลี้ยงเลยก็แห้งซะแล้วคราบน้ำคราบน้ํายา น, นะคะก็แห้งติดกระจกจะต้องเช็ดแล้วเช็ดอีกทาให้เปลืองแรงแล้วก็เปลืองเวลามากขึ้นนั่นเอง ก็ที่ค่ะการทำความสะอาดคราบสกปรกบนพรมนะคะการที่คุณเอาฟองน้ำมาเช็ดแล้วก็ออกแรงถูทำให้คราบสกปรกนั้นขยายวงกว้างมากขึ้นคราบสกปรกที่ติดลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็กลายเป็นคราบถาวรไปเลยดังนั้นค่ะแทนที่เราจะเอาฟองน้ำมาเช็ดถูนะคะควรเปลี่ยนเป็นกระดาษซับออกไปแทนจะดีกว่าค่ะ ข้อที่สามนะคะการทำความสะอาดสุขาหรือว่ากล่องทรายสำหรับปลดทุกของเจ้าเหมียวนะคะเรื่องนี้เนี่ยหลายคนน ะ, ะที่ เป็นาธาตุแมวนะคะเข้าใจกันดีว่าสุขขาของน้องแมวเนี่ยช่างไม่น่าพิสมัยเอาซะเลยนะคะทั้งความสกรปรกทั้งกลิ่นที่โชยมาเต็มๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยตัวช่วยที่บรรเทาเบ า, บาบางกลิ่นลงได้ตัวช่วยที่ว่านั้นก็คือใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้านล่างกล่องซะก่อนค่ะแล้วค่อยใส่สารดูดซับนะคะลงไปในกล่องตามปกติเบกกิ้งโซดาจะช่วยทำให้กลิ่นนะคะโดยรวมเนี่ยสดชื่นขึ้นได้ ข้อที่4ค่ะการทําความสะอาดเคาน์เตอร์ในครัวนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะฉีดน้ํายาทาความสะอาดลงไปบนพื้นที่ส ก, กรปรกจากนั้นเนี่ยก็จะใช้กระดาษหรือวาผ้าเช็ดออกทันทีแต่วิธีนี้ค่ะเมลูซ่ามาร์เกอร์นะคะพิธีกรของช่อง myspace บนยู u ูบเนี่ยบอกว่าเป็นวิธีที่ผิดเราควรฉีดน้ํายาทาความสะอาดแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5- ้าสนาทีเพื่อให้น้ํายาเนี่ยออกฤทธิ์สลายคราบซะก่อนแล้วค่อยเช็ดออกนะคะวิธีนี้เนี่ยจะประหยัดแรงในการขัดทู ให้คุณแม่บ้านได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะข้อที่5นะคะการทำความสะอาดฝักบัวอาบน้ำการที่เราพยายามใช้แรงขัดนะคะเพื่อขจัดคราบสบกรปรกที่ติดอยู่ตามรูเล็กๆบนฝักบัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะดังนั้นจึงต้องรู้เทคนิคนะคะและเทคนิคที่ว่านั้นก็คือการนำน้ำส้มสายชูใส่ถุงพลาสติกเล็กๆค่ะเราก็หยดน้ามันหอมระเหยน ะ, ะมะนาวเหลืองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บารุงผิวในสปา ลงไปเล็กน้อยจากนั้นค่ะให้นำหัวฝักบัวเนี่ยไปจุ่มลงในถุงน้ำส้มสชูนะคะให้ท่วมหัวฝักบัวอาจจะรัดยางที่ปากถุงกันหกเลอะเทอะหน่อยนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะเมื่อเปิดดูตอนเช้าเนี่ยคุณจะเห็นว่าหัวฝักบัวสะอาดเอี่ยมเหมือนของใหม่เลยทีเดียว ต่อมาข้อที่6ค่ะการทำความสะอาดเครื่องบดอาหารนะคะหรือว่าเครื่องปั่นอาหารมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อค่ะที่ไม่มีใครอยากจะทำเลยจริงๆนะคะแต่ว่ามีเทคนิคที่ทำได้ง่ายแล้วก็เป็นวิธีที่สะดวกมากด้วยก็คือใส่น้ำอุ่นลงไปในโถปั่นประมาณครึ่งโถแล้วก็หยดน้ำยาล้างจานลงไป ปันประมาณ30วินาทีค่ะแล้วก็เทน้ำออกหากเป็นการล้างคราบที่ติดแน่นนะคะอาจจะฝานมะนาวสักซิกเล็กๆนะคะลงไปด้วยแล้วก็วิธีนี้เนี่ยนะคะจะช่วยลดพาระในการขัดล้างไปได้มากเลยละค่ะ ข้อที่เจ็ดความสะอาดคราบสกรปรกบนเสื้อผ้าอย่างเช่นเมื่อกาแฟหกเหลอะเสื้อนะคะสิ่งแรกที่คุณควรจะทําเนี่ยมักจะเป็นการหยิบผ้ามาเช็ดแต่นั่นช่วยอะไรไม่ได้มากเลยค่ะจะเป็นการดีกว่าถ้าใช้กระดาษซับนะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้ใช้น้ํายาขจัดคราบทาลงบนที่เป็นคราบเลอะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยกําจัดคราบเลอะเทอะได้ดีกว่าการเช็ดซึ่งจะทําให้คราบฝังลึกลงไปในเนื้อผ้า ค, ค่ะ ขอบคุณที่มาจากสนุก .com นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการกลเม็ครัวไอเดียกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังบอกเล่านะถึงเรื่องราวของสารพันในห้องครัวที่เรานามาฝากกันในวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังนะคะสนใจอยากจะติดตามเรื่องราวของรายการกลเม็ครัวไอเดียนั้นก็ กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะกลับมาฟังเพลงเพราะๆนะแล้วก็เรื่องราวของสารพันในห้องครัวค่ะที่เรานำมาฝากกันทุกๆสัปดาห์เลยวันนี้หมดหน้าที่ของเอราวนะคะแล้วรายการกลเม็ครัวไอเดียด้วยพร้อมด้วยทีมงานวิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะต้องลา ก, กันไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ